เรื่องเล่าจากพ่อตอนที่หนึ่งอาถรรพ์เจ้าป่าสัมผัสสยองเมื่อตอนเด็กๆครอบครัวของนิดเคยอาศัยอยู่ในจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสาน พ่อของนิดชื่อลุงตาตอนนั้นอายุประมาณห0กว่าปีเล็กน้อยลุงตามีอาชีพรับจ้างทั่วไปแล้วแต่ว่าใครจะให้ทำอะไรไม่ว่าจะเป็นงานถางาหญ้าขุดดินหรือแม้แต่ให้ปีนขึ้นไปตัดแต่งกิ่งไม้ลุงตาก็รับทำโดยไม่เกี่ยงงานแกอดทนทำงานหนักเพื่อให้ได้เงินมาจุนเจือครอบครัวที่มีอยู่หลายปากท้อง ส่วนแม่ของนิดชื่อน้อมเป็นแม่บ้านแต่ละวันก็ทำงานบ้านหุงหาข้าวปลาอาหารและเลี้ยงลูกน้อยวัยสามขวบซึ่งเป็นน้องสาวของนิดเธอชื่อปลานิดเองตอนนั้นอายุ12ปีที่จริงแล้วนิดมีน้องผู้ชายอีกคนชื่อแกน่นถ้าแกนยังอยู่แก่นก็คงจะมีอายุประมาณ9กปีแล้วน่าเสียดาย ที่เกิดเรื่องร้ายกับแก่นเมื่อสามปีก่อนตอนนั้นแก่นอายุประมาณหกขวบขณะที่แม่ของนิดกำลังตั้งคันลูกสาวอีกคนและมัวสารวนกับการเตรียมอาหารเย็นในห้องครัวแก่นก็ไปเล่นกับเพื่อนๆในระแวกบ้านตามปกติส่วนนิดนั่งพับผ้าในบ้านรอเวลาพ่อกลับมาเพื่อที่เธอจะได้อดสมุดพก ให้พ่อได้ชื่นชมผลการเรียนดีเด่นของเธอเมื่อลุงตากลับมาถึงแม่ก็ให้นิดไปตามแก่นกลับเข้าบ้านเพื่อที่จะได้ทานอาหารเย็นด้วยกันแต่แล้วทุกคนในครอบครัวก็ไม่ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างที่คิดเพราะแก่นหายตัวไปเดินตามหายอยู่หลายที่ก็ไม่เจอลุงตาจึงเข้าไปถามเด็กในละแวกบ้านที่มักจะเล่นด้วยกัน ก็ไม่มีใครเห็นแก่นเลยคนในหมู่บ้านต่างช่วยกันตามหาตัวแก่นจนค่ามืดก็ไม่มีใครพบมีบางคนบอกว่าเห็นรถตู้ของคนแปลกหน้าขับเข้ามาในหมู่บ้านจึงตั้งข้อสงสัยว่าแก่นอาจจะถูกแกงรถตู้ลักพาตัวไปเมื่อลุงตาได้ฟังก็ยิ่งร้อนใจจึงรีบไปแจ้งความไว้จากนั้น ก็พยายามตามหาแก่นแทบพลิกแผ่นดินเวลาผ่านไปหลายวันหลายสัปดาห์จนเป็นหลายเดือนความหวังที่จะเจอตัวแก่นนั้นดูริบหลี่ลงเรื่อยในที่สุดลุงตาก็ต้องกลับไปทำงานหนักเหมือนเดิมเพราะต้องหาเงินมาใช้จ่ายภายในครอบครัวแต่ลุงตาก็ยังติดตามข่าวจากตำรวจอยู่เป็นระยะ แกหวังไว้ในใจลึกๆว่าจะได้พบแก่นลูกชายสุดที่รักในสักวันหนึ่งแม้ว่าทางครอบครัวของนิดจะค่อนข้างยากจนลุงตาทำงานหาเช้ากินคําแต่ทุกคนก็อยู่ด้วยกันอย่างรักใคร่สามคัคคีทุกวันครอบครัวของนิดจะนั่งล้อมวงกินอาหารด้วยกันทุกมือ้อและหลังจะกินอาหารมื้อเย็นเสร็จแล้วลุงตา มักจะเรียกลูกๆมานั่งฟังนิทานก่อนนอนนิทานของลุงตาส่วนใหญ่ก็จะเป็นประสบการณ์ที่ลุงตาได้ไปพบเจอมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มๆ ม, มันมักจะเป็นเรื่องลี้ลับพูดผีวิญญาณเพราะลุงตาได้เดินทางไปทำงานในสถานที่แปลกๆ แ, และได้เจอกับเหตุการณ์ประหลาดมากมายนิดชอบฟังเรื่องสยองขวัญมาก แม้บางครั้งจะเก็บเอาไปฝันก็ตามแต่เธอก็มักจะรบเร้าให้พ่อเล่าให้ฟังอยู่เสมอวันนี้ก็เช่นเคยลุงตาเรียกลูกๆมานั่งล้อมวงกันที่นอกชาญบ้านอากาศกําลังเย็นสบายมีลมพัดโชยมาอ่อนๆยุงก็ไม่ชุกชุมเหมือนเช่นทุกครั้งลุงตาดูมีอารมณ์ดีนั่งสูบยาเน้นพ่นควันฉุ ย, ฉย นิดเอาน้ำเย็นมาวางบนโต๊ะให้พอ่อแล้วไปนั่งที่เก้าอี้ข้างๆแม่น้อมที่อุ้มน้องปลานั่งอยู่บนตักแม้ว่าน้องปลาจะฟังเรื่องที่พ่อเล่าไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรนักแต่ก็พลอยตื่นเต้นเมื่อเห็นสีหน้าท่าทางของนิด ท, ที่ลุ้นตัวโกงหรือตอนที่พ่อทำน้ำเสียงต่ำทุมแล้วเปลี่ยนเป็นเสียงดังจนหน้าขนลุกน้องปลาก็จะทำตาโต สะดุ้งตกใจไปด้วยทำให้เวลาที่พ่อเล่าเรื่องเป็นเวลาที่ทุกคนในบ้านรอคอยเมื่อเห็นทุกคนมาพร้อมหน้ากันหลุงตาจึงดับยาเซนแล้วเริ่มเรื่องว่าสมัยที่พ่ออายุประมาณ40กว่ากว่าตอนนั้นมีลูกคนเดียวคือนิดนิดอายุประมาณสองขวบได้พ่อได้ไปรับจ้างขุดดินที่ต่างอำเภอ กับเพื่อนๆ อ, อีกสี่คนคือลุงเดียวลุงงำํำนานงและเล็กอำเภอนั้นตั้งอยู่ค่อนข้างไกลระยะทางห่างจากหมู่บ้านที่เราอยู่ประมาณ60กว่ากิโลเมตรการเดินทางไปกลับไม่สะดวกก็เลยต้องนอนค้างคืนที่นั่นหลายวันพวกพอ่อสร้างที่พักชั่วคราวด้วยไม้ไผ่สำหรับกันฝนและลมพ่อและเพื่อน นำของติดตัวไปด้วยไม่มากของที่เอาไปก็จะมีผ้าห่มนอนเสื้อผ้าและที่ขาดไม่ได้คือหม้อสำหรับหุงโตมอาหารเพราะตรงที่ไปทำงานเป็นป่าเสื่อมโทรมด้านหลังติดกับภูเขาส่วนด้านข้างๆเป็นลำธาร น, น้ำใสไหลผ่านพ่อเรียกมันว่าห้วยบริเวณนี้ห่างไกลบ้านเรือนของผู้คน อาหารการกินจึงหายากก็เลยต้องทำอาหารกันเองพอ่อเอาเข้าวสารไปด้วยส่วนพวกกับข้าวก็หากินกันตามป่าและห้วยแถวๆนั้นส่วนใหญ่ในป่าก็จะได้หน่อไม้ไข่มดแดงมแมลงผักป่าบางวันถ้าโชคดีก็ล่าได้ไก่ป่าหรือจับปลาในห้วยเอามาย่างกินกัน วันๆแทบจะไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรค่าจ้างวันละร้อยห้าสิบบาทไปทำงานแต่ละครั้งใช้เวลาเกือบหนึ่งเดือนพ่อคิดว่าน่าจะเก็บเงินได้พอสมควรพอลุงตาเล่ามาถึงตรงนี้ก็เหลือไปเห็นน้องคนเล็กนั่งสงกตาปลือลุงตานึกขำด้วยความเมนดูลูกตัวน้อยแกจึงเริ่มเล่าเสียงดังขึ้นว่า วันแรกที่ไปถึงพวกพ่อก็เลือกทาเลสร้างที่พักตรงลานดินลโล ง, โลงใกล้าลาห้วยเพื่อว่าถ้าสัตว์เข้ามากไกลพวกพ่อจะได้มองเห็นหลังจากสร้างที่อยู่ชั่วคราวเสร็จแล้วทุกคนก็ช่วยกันเตรียมอาหารโดยหุงข้าวกับหม้อแบบเช็ดน้ำทิ้งจริงๆไม่ได้เอาน้ำข้าวทิ้งหรอกพอซาวข้าวแล้วก็เอาข้าวไปหุงน้าทีเทีออก พ่อไปเติมเกลือเล็กน้อยแล้วเอามาดื่มได้ประโยชน์ไม่แพ้ดื่มนมเหมือนกันอาหารที่กินวันนั้นมีต้มยำปลากรอบและที่ขาดไม่ได้คือน้ำพริกที่แม่น้อมตำไว้ให้พ่อพกน้ำพริกนี้ติดตัวไปด้วย<ๆ>เพื่อว่ามื้อไหนที่พวกพ่อหาอาหารลำบาก<ๆ>ก็จะกินข้าวกับน้ำพริกและผักลวกได้เลยเมื่อกินข้าวกันเสร็จแล้ว เล็กซึ่งมีอายุน้อยกว่าเพื่อนจึงรับหน้าที่ล้างถว้ยกกงถวยชามและหมอ้อเล็กยกกระมังที่ใส่ถ้วยชามและหม้อไปล้างที่ริมห้วยเห็นสายน้ำไหลลงมาจากภูเขาไกลๆดูใสสะอาดน่าลงไปไว่ายน้ำเล่นเล็กนั่งลงบนโขดหินแล้วเริ่มล้างถ้วยชามล้างจานไปก็ร้องเพลงไปด้วย อย่างอารมณ์ดีขณะที่เล็กล้างหม้อหุงข้าวเกิดนึกสนุกจึงสมมุติว่าหม้อเป็นเรือแล้วใช้มือกวกน้ำสาดไปที่ผิวน้ำไกลๆหม้อที่กำลังลอยอ ย, อยู่พร้อมกับร้องเป็นทำนองเพลงนานงเห็นเล็กเล่นลอยหม้อในลำห้วยก็ตะโกนว่าเฮ้ย hey, เล็กเล่นอะไรพี่เลนระวังเจ้าป่าเจ้าเขาจะเล่นงานนะ ทุกคนหันไปมองน้าหนงเป็นสายตาเดียวกันลุงเดียวเริ่มหน้าเสียแล้วบอกกับพ่อว่าเล็กเล่นพี่เรนก็จริงถ้าไม่มีใครทักก็ไม่เป็นไรแต่นาหนงกลับทักขึ้นมาแล้วพูดจาพาดพิงถึงเจ้าป่าอีกถ้าไม่ทำพิธีแก้เครดอาจจะเกิดเหตุร้ายๆขึ้นได้แม้ว่าลุงเดียวจะเตือนเรื่องอาถรรพ์ของป่าแต่เล็กก็ยังเล่นต่อ เพราะไม่เชื่อว่าแค่เล่นลอยมอจะเป็นปัญหาอะไรซ้ำยังตั้งใจตะโกนท้าทายว่าเจ้าป่าเจ้าเขามีจริงที่ไหนกันอยากจะเจอจ่าๆเหมือนกันจะได้ไปเล่าถูกว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วเล็กก็ถอดเสื้อลงไปเล่นน้ำสักพักก็เตรียมเอาจานชามและมอมาเก็บไว้ในที่พักแต่ไม่ทันได้ระวังจึงเหยียบกิ่งไม้ริมห้วย ปักเท้าเลือดไหลเป็นทางพ่อเห็นลุงเดียวสีหน้ากังวลจึงให้เล็กไปทาแผลแล้วไปขอโทษลุงเดียวที่ไม่สนใจคาเตือนลุงเดียวบอกว่าพวกเราทั้งหมดอาจมีอันตรายโดยเฉพาะเล็กลุงเดียวจึงอยากให้ทำพิธีแก้เครดโดยให้เล็กลงไปนอนในหลุมหนึ่งคืนทุกคนดูเหมือนจะเข้าใจสถานการณ์ จึงไม่พูดอะไรแล้วลุงเดียวก็บอกให้เล็กลุงอ่ำและน้านงช่วยกันขุดหลุมกว้างประมาณหนึ่งเมตรยาวสองเมตรลึกพอที่จะลงไปนอนได้เอาให้ห่างจากที่พักไม่มากนักส่วนพ่อและลุงเดียวพากันเข้าไปหาฟืนในป่าหามามากเท่าที่จะหาได้พอได้ฟืนมาแล้วลุงเดียวก็จัดแจงให้เล็กลงไปนอนในหลุม โดยใช้ใบไม้ที่ลุงอ่ําหามารองก้นหลุมนานาส่วนเล็กก็เอาผ้าห่มของตัวเองที่เตรียมมาลงไปห่มในหลุมด้วยคืนนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งเพราะเป็นวันจันทร์ข้างคืนหลุมที่เล็กนอนจึงไม่ต้องทําหลังคากันฝนทุกคนช่วยกันก่อไฟเป็นกองๆล้อมรอบหลุมมาไว้ลุงเดียวตั้งเวรเปลี่ยนกันลุกขึ้นมาสุมไฟ แกบอกว่าห้ามให้ไฟดับเด็ดขาดจนกว่าพระอาทิตจะขึ้นตกดึกทุกคนอนอนเพียกันมากคนอื่นยิ้มปลอบใจเล็กที่ต้องลงไปนอนในหลุมเล็กยิ้มกลับแบบเซ็งๆแล้วดึงผ้าห่มคลุมตัวนอนแบบไม่ค่อยเต็มใจนักเมื่อตรวจดูความเรียบร้อยแล้วคนอื่นๆจึงพากันเข้าไปนอนในที่พักที่สร้างไวแต่ทีแรก เวลาประมาณเที่ยงคืนพระจันทร์ที่ส่องแสงสว่างสวยัยก็มีเมฆ ก, ก้อนใหญ่มาปิดบงังทำให้บริเวณนั้นมืดลงมีแต่แสงจากกองไฟที่สุ่มไวสักครู่ก็มีลมกันโชคพัดมาอย่างแรงห่อสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อได้ยินเสียงนกแสกร้องเสียงดังสนั่นป่าผสมกับเสียงหมาป่าเห่าหอนมีเสียงคล้ายกับมา หรือฝูงควายป่าวิ่งอึกกระทึกใกล้กับพิ่พักของพ่อแล้วเสียงก็เงียบไปในขณะที่พ่อกําลังลุกขึ้นไปดูก็เห็นลุงห่าลุกจากที่นอนแล้วเดินไปที่หลุมคิดว่าคงไปเติมฟืนสักผักแกก็กลับมาพ่อคิดว่าเหตุการณ์คงเรียบร้อยดีเสียงสัตว์นั้นพ่ออาจจะหูแว่วไปเองจึงนอนต่อ นิดถอนหายใจอย่างโล่งอกส่วนน้องปลาก็ยิ้มอ่อนๆทำเป็นโล่งใจตามพี่สาวเพราะเห็นนิดนั่งตัวเกร็งลุนว่าพ่อกับเพื่อนๆจะเจอเหตุร้ายอะไรแต่ทุกอย่างก็สงบลงด้วยดีพ่อยกน้ำขึ้นมาจิบแล้วเล่าต่อว่าพอตอนเช้ามืดพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นแต่เสียงไก่ขันปลุกดังมาจากชายป่า พอและทุกคนก็ตื่นแล้วลุกขึ้นเดินตรงไปยังหลุมที่เล็กนอนอยู่แต่มีเพียงผ้าห่มในหลุมเท่านั้นทุกคนคิดว่าเล็กคงจะตื่นแล้วและอาจจะเข้าไปปลดทุกในป่าหรือไปล้างหน้าล้างตาที่ลำห้วยไม่นานนักพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วแต่เล็กก็ยังไม่กลับมานาหนงจึงออกตามหาเล็กโดยเดินไปทางลำห้วยใกล้ๆที่พัก ซึ่งก่อนที่จะถึงลำห้วยมีเนินทรายอยู่บริเวณกว้างอะไรกันนี้ น, น, ออน้ง n ô อุดานเพราะเห็นรอยเท้าของสัตว์หลายชนิดเหยียบลงบนเนินทรายเต็มไปหมดน้นง n ô แปลกใจมากเพราะเมื่อวานเนินทรายนี้ราบเรียบไม่มีรอยเท้าสัตว์ใดๆแต่ถ้าสัตว์เหล่านั้นเข้ามาใกล้ที่พักทำไมไม่มีใครรู้หรือได้ยินเสียงพวกสัตว์เหล่านั้นเลย นานงจึงกลับไปเรียกพอลุงงามและลุงเดียวมาดูพอเห็นรอยเท้าสัตว์ก็บอกว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงสัตว์หลายตัวแต่เห็นลุงงามลุกไปดูแล้วก็เลยคิดว่าไม่มีอะไรลุงงามก็บอกว่าเมื่อคืนที่ลุกมาสุมไฟก็ไม่เห็นมีสัตว์สักตัวแต่หลังจากที่ลุงเดียวได้เห็นรอยเท้าสัตว์บนเนินทราย ก็ตกใจหน้าซีดเผือดทันทีพ่อคิดว่าลุงเดียวคงรู้อะไรบางอย่างลุงเดียวหันกลับมาบอกพวกเราที่ไปด้วยกันว่าเราอาจจะโดนอาถรรพเจ้าป่าเขาให้แล้วรีบตามหาเล็กแล้วทุกคนแยกกันตามหาเล็กพ่อเข้าไปตะโกนเรียกเล็กในป่าวิ่งไปวิ่งมาสักพักพ่อก็เห็นน้านงวิ่งหน้าตาตื่นตะโกนบอกคนอื่นว่า นี่พวกเราที่ต้นลำธารนะ่ะน้ำมีสีแดงคล้ายเลือดเลยทุกคนจึงวิ่งตามน้ำนองไปที่ต้นลำธารพ่อเห็นน้ำตรงนั้นมีสีชมพูจางๆจึงมองตามรอยเส้นสีชมพูไปลำธารที่เป็นสีชมพูค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้มขึ้นเรื่อยๆจนเป็นสีแดงคล้ายเลือดพ่อมองไปรอบๆ บ, บ, บริเวณ น, นั้น แล้วสายตาก็ไปสะดุดอยู่กับก้อนเนื้อก้อนใหญ่ที่มีเลือดแดงฉานไหลรินลงไปในลำธารพ่อชี้ให้ทุกคนดูพวกพ่อตกใจทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขนาดภาพที่ปรากฏหยุดตรงหน้าเป็นร่างคนที่เหมือนถูกสัตว์ขยํำไปทั้งตัวที่ท้องมีแผลขนาดใหญ่ไสทะลักออกมากองกับพื้นตับไตไส้พุงกระจัดกระจาย ทรงกินข้าวคละครุงแทบอยากอาเจียนส่วนใบหน้าเละเทะจนแทบมองไม่ออกว่าเป็นใครศีสะถูกะลกจนเห็นกะโหลกเลือดแดงฉานไหลนองไปเต็มพื้นรอบๆมีรอยเท้าเสือขนาดใหญ่เหยียบย่ำเต็มไปหมดที่น่าแปลกคือร่างที่ถูกฉีกัดจนตายอย่างสยดสยองนั้นไม่มีอ ว, วัยวะส่วนใดสูญหาย หรือถูกสัตว์ร้ายกินเลยขณะที่คนอื่นๆยืนแปลกใจว่าทำไมสัตว์ถึงทำร้ายคนอย่างโหดเหี้ยมแต่ไม่กินเป็นอาหารลุงเดียวก็ยกมือไหว้ท่วมหัวปากพึมพำขอขามาเจ้าป่าลุงอำ่ำสังเกตเห็นที่ข้อมือขวาของศพที่มีเชือกผูกไวเหมือนกับเชือกที่เล็กใส่อยู่เป็นประจำจึงเด า, เาว่า ร่างที่เห็นตรงหน้านั้นเป็นร่างของเล็กแน่นอนลุงอ่ำสุดเขา่านั่งร้องไห้ฟูมฟายพูจาไม่เป็นภาษาพวกพอ่อจึงช่วยกันพาลุงอ่ากลับมาที่พักแล้วน้านงกับลุงเดียวก็เดินเท้าเข้าหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดเพื่อรายงานเหตุการณ์ให้ตำรวจและติดต่อนายจ้างถึงข่าวร้ายที่เกิดขึ้นระหว่างที่ลุงอ่านั่งสงบสติอารมณ์ได้แล้ว พ่อจึงเดินไปหยิบกระติกน้ำในที่พักเพื่อจะเอาไปให้ลุงอาำดื่มพอเดินกลับมาก็เห็นลุงอ่ำน้ำตาซึมแต่ไม่ฟูมฟายเหมือนก่อนหน้านี้พ่อจึงนั่งลงข้างๆแกแล้วยื่นกระติกน้ำให้ลุงอ่ำรับไปแต่ไม่ดื่มแกบอกพ่อด้วยเสียงสั่นเครื่อว่าเพราะข้าเองเล็กมันเละตายพ่อ ตกใจกับสิ่งที่ได้ยินแต่ยังไม่ทันได้ถามอะไรลุงอ่ำก็พูดต่อว่าเมื่อคืนตอนนั้นข้าต้องลุกขึ้นมาเติมฟืนไม่ให้ไฟดับแต่ลมพัดแรงทำให้เปลวไฟที่กำลังลุกอยู่มันสะบัดไปสะบัดมาเหมือนกับผีเต้นระบำข้าก็เลยไม่ออกไปคิดว่าไฟยังแรงอยู่จะรอสักพักค่อยไปเติมฟืนแต่ก็เผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัว แล้วมาสะดุ้งตื่นขึ้นอีกทีเพราะตอนนั้นได้ยินเสียงสัตว์เยอะมากเพราะเสียงเงียบลงข้าก็เห็นกองไฟรอบๆหลุมที่เล็กนอนอยู่มันดับไปแล้วข้าก็รีบจุดไฟใหม่แล้วก็ชะโงกหน้าไปดูในหลุมก็เห็นเล็กนอนคลุมโปองอยู่ข้าก็นึกว่ามันปลอดภัยดีก็เลยกลับเข้าไปนอนต่อแต่เล็กมันคงโดนเอาตัวไปตั้งแต่ตอนที่ไฟดับแล้ว ตอนเช้าถึงได้เจอแต่พระโหมของมันในหลุมพอพูดจบลุงงาก็เอามือทั้งสองปิดหน้าก้มสีสานลงหยดน้ำตาอุ่นๆซึมลอดนิ้วมือไหลลงไปที่ศอกพอเห็นแล้วก็สงสารแกมาจึงนั่งปลอบลุงงาไปสักพักจนกระทั่งลุงเดียวนานงนายจ้างและตำรวจมาถึงด้วยที่สภาพศพ เป็นลักษณะถูกสัตว์ขนาดใหญ่ทำร้ายตำรวจจึงสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นอุบัติเหตุจึงให้พวกพ่อกลับบ้านได้แต่ถ้าต้องมาให้ปากคำเพิ่มเติมพวกพ่อก็ต้องเข้าไปที่สถานีตำรวจตามที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งมาเป็นนั้นว่าการงานที่เขาว่าจ้างก็ต้องยกเลิกไปเพราะจะต้องนำเอาศพของเหล็กไปประกอบพิธีที่บ้าน และพวกพ่อก็ไม่กล้าไปทำงานที่นั่นอีกกลัวว่าอาจจะยังมีอาถรรพ์ในป่าอยู่เมื่อเล่าจบลุงตาก็หันมามองน้องขนเหล็กจากที่ก่อนหน้านี้ตาปลือแบบคนง่วงนอนก็กลับมาเป็นสายตาเบิกโพรงท่าทางตื่นเต้นลุงตายิ้มแล้วบอกให้เด็กๆไปสวดมนต์เข้านอนได้น้องปลาก็พยัยหน้ารับคำ แล้วหันไปบอกกับแม่ว่าครั้งต่อไปถ้าพ่อจะเล่าถึงตอนน่ากลัวก็ไม่ต้องมาตบหลังหนูนะหนูกลัวจ้าแม่ก็ทำหน้างงจากนั้นก็พาเด็กๆไปแปลงฟันแล้วส่งเข้านอนสักพักลุงตาก็ได้รับโทรศัพท์จากสถานีตำรวจ แจ้งว่าพบเด็กชายรูปประพันธ์คล้ายกับที่ลุงตาเคยแจ้งความคนหายเอาไว้ลุงตาดีใจมากบอกแม่น้อมให้ดูแลเด็กๆแล้วแกก็รีบไปสถานีตำรวจนิดได้ยินเสียงพ่อคุยกับแม่แล้วก็มีเสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์แล่นออกจากบ้านไปเธอดีใจมากเฝ้ารอพ่อกลับมาหวังว่าจะได้พบแก น้องชายที่หายไปนาน ส, สัมภัสยง